กากำหนดว่ า, ายานุปัสนาสถิตฐานมีสติกำหนดกายเช่นยืนหน่ห้าครั้งขอญาตโยมทำให้ได้ยังไม่มีใครทำได้เดตั้งสติไว้ที่กำมองกำหนดว่ายืนลงไปขายแสงลงไปยืนหน่ลงไปที่ปลายเท้ายืนช่ำรวมจากปลายเท้าขึ้นมาบนที่ศักด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 ละรวมเหลวหลายอีกต่อไปทำอะไรก็เป็นแก่นสารทำอะไรก็เป็นเนื้อหาสาระก็ได้อาศัยปัญญาในตัวนนีนปัญญาตัวนนี้ไม่มีใครไปสนไม่มีใครปฏิบัติกรรันหมายความว่าอะไรหมายความว่าสุขทั้งใจจิตใจมีความสุขไม่มีทุกนั่นแหละปัญญาตัวนัไม่มีใครจะไปแสหาแต่ประการได้มีความหมายอยู่ตรงนั้นมากมาย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 ให้กลับร้ายกลายดีได้อัชญาสายที่ใจร้อนหลนใจมักง่ายมักด่ามันก็เกิดความละเอียดอ่อนขึ้นมาก็กลายเป็นมักแปกลายเป็นสิงกลายเป็นสมาธิกลายเป็นปัญญาหลอหกลวงพองการทั้งขานอ่านออกบอกได้ใช้เป็นอารมณ์ของเราเช่นมีแล้วเหตุใดแล้วจะรู้คนอื่นไม่ได้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 ไหนมาไปเช่นนี้ไหนเลยแล้วปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาม่แต่สร้างปัญหาสร้างความทุกข์ไม่เด้ความความสุขให้กต่จิตใจแต่ประการได้เลยสร้างแต่ปัญหาให้เกิดอยู่ในครอบครัวครอบครัวของท่านมีปัญหามาได้สามีภรรยาคู่นั้นจะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะมันมีแต่ปัญหามีแต่ความเดือดร้อน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 เป็นอาชีพที่คาเขาเป็นอาชีพที่ยาพิษเป็นอาชีพที่ของนั่นเป็นพิษเป็นภยัยมันมีความบริสุทธิ์ไายจะประการได้มีแต่พิษมีแต่พัยมีแต่เสนียดจังหลายทั้งอาชีพการงานก็เป็นเช่นนั้นด้วยแต่เป็นคนมิีชาชีพไม่เป็นมเป็นคนสัมมาทิฏฐิคนที่มีปัญญาตัวนายจะมีแต่สติปัฏฐานสี่ครบ จะเลริญสติเรียกว่ามาประกอบอาชีพการงานเรียกว่ า, า, มาไม่ใช่นิถานิติแต่เป็นมิิทิที่ชอบแล้วประกอบสัมมาทิฏฐิปรวกอบศึิโดยชอบใช้ชีวิตต่อธรรมะและชีวิตครองรักครองเลี้ยนคลองครองติด ค, ครองใจคลองเหตุครองผลอยู่ได้กระ ต, ตนในครอบครัว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 ในเมื่อไม่ทำลายน้ำใจซึงกันอะรกันแล้วก็เอาใจกันแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันมันจะเกิดขึ้นมาในรูปแบบของปัญญาตัวไหนงั้นมาเห็นอกเห็นใจกันดีแล้วทำดีต่อกันไปอีกมันก็เกิดสงสารกรุณาสงสารถึงกันละกันจะทิ้งจะคว่างกันก็แสนจะยากจะลำบากอยู่ก็ไว้ใจไปก็คิดถึงจะลำพึงลำพันกัน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 ทาอะไรก็รักกันดีมีปัญญาสามีภรรยาปลองดองรักเหมือนพี่มี่น้องๆรักเหมือนเพื่อนรักเหมือนมิตรเหมือนมิสภาพอันดีงามจิตใจก็เบิกบานนี่คือตัวปัญญาภายในมีโล ก, กออกดีทุกคนสิบห้าหยกย ก, ยกที่พกยองยองสวยน้ารักกำลังไปที่นารักนาใครของบิดามันดา แล้วกิปิญามารยาทของน้อมต่อบิดามดารดาบิดามารดาก็รักใคร่เลื่อมใสศรัทธากับลูกลูกก็เคารพ บ, บูชาพ่อแม่พ่อแม่ก็ดูแลลูกดูชมเชยลูกว่าสวยน่ารักจะแต่งกายจะใส่เสื้อผ้าอาภรรกก็น่ารักไปหมดคนที่มีปัญญาพนระางภายในจะแต่งหน้าก็สวยจะดัดผมจะทรงผมก็สวย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 จะไปเชือพื้นพาอาศัยกครแน่นหน้าอกพกในใจแล้วก็ไปถ่ายเทพบรรเหนือบางไปถ่ายเทพบรรใต้ถ่ายแล้วยังไม่ทออาจมาอิกอาจมาเปิดในบ้านกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะขาดปัญญาตัวไหนไปหาบรนเหนือบรรใต้พอมาแน่นหน้าอกพกในใจไม่รู้จะไปถ่ายให้ใครเขาก็ไปถ่ายคนละ ก, กันบ้างจนเขาขี้เกียจฟังเขาเดินหนีก็มี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 นี่แหละเป็นจุดสาคัญในมาจิตมันคิดอะไรเลเพราพาตั้งตรีกรเอาปัญญาตัวนานมาพิจารณาก่อนว่าคิดหนอคิดหนอคิดหนอร้อยครั้งพันครั้งกำหนดไว้ตั้งให้ใจเดือดยาวเดี๋ยวมันจะคิดออกบอกตัวปัญญาตัวนว่าที่เราแสบไปคิดนานเนี่ไม่ถูกต้องมันเสียสมองเสีย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 มีลูกหลานในตระกูลใหม่ที่เราตั้งใจไปเกิดหรือว่าไปเกิดในนั้นก็จะได้หยิบได้ดีทั้งตระกูลเพิ่มปูนบริบูรณ์ตลอดเพราะอํานาจบุญกุศลดนบันดาลให้คนได้ถ้าไร่บุญกุศลไอวาทนาแล้ยมันก็ไม่สามารถจะดนบันดาลให้ได้ต้องอาศัยบุญอาศัยกุศลอาศัยที่พึ่งของตนตลอดกาลเวลาที่อาตมาได้ชี้แจงเตรียมมาก็พอสมควรแก่เวลาในทัศนศึกษา